แนะนำบทอัลอาซบบทอัลอาซาบเป็นบทมาดานนยะมีเจ็ดสิบสามโอกาสซึ่งประมวลไว้ด้วยการตราพระบัญญัติเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของประชาชาติอิสลามเช่นเดียวกับบทมาดานนยะอื่นๆสำหรับบท น, นี้ได้กล่าวถึงการดำรงชีวิตของบรร ด, ดามุ穆ิ林ทั้งในด้านส่วนตัวและในด้านที่เกี่ยวกับผู้อื่นโดยทั่วไป เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งได้วางระเบียบการปกครองเอาไว้เพื่อคุ้มครองสังคมให้มีความสงบสุขและยกเลิกคำหลบทรรนเรียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่อดีตเช่นการเอาลูกของคนอื่นมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมการกล่าวชิ้ฮัทคือการกล่าวคำหยาแบบสมัยยาเยริยะคือฝ่ายชายกล่าวกับภรรยาของเขาว่า เธอเป็นเสมือนหลังมารดาของฉันตลอดจนการลบล้างการเชื่อถืออย่างข้ามคึและลาหลังของสังคมยิฮิยะซึ่งเป็นที่แพร่หลายอยู่ในขณะนั้นหัวข้อใหญ่ๆของบทนี้อาจจะสรุปได้ดังนี้ข้อชี้แนะต่างๆและมัญญ่าใน islam กฎระเบียบการปกครองและการตราพระบัญญัติการกล่าวถึงเรื่องของสงครามอลัลอาฮ์บ และเผ่ากุรอยซ่เรื่องที่หนึ่งได้กล่าวถึงมรญญา่าทางสังคมเช่นมัญญา่าการรับเชิญไปกินเลี้ยงมัญญา่าการปกปิดร่างกายของสตรีและหญิงและการแต่งตัวของสตรีมัญญา่าการปฏิบัติและการยกย่องให้เกียรติแก่พระรสมุลลอสละลลอฮ์วะไลล์วะสลัมตลอดจนมัญญา่าอื่นๆที่เกี่ยวกับสังคมเรื่องที่สองได้กล่าวถึงระเบียบข้อปฏิบตับตบิบางประการ เช่นบัญญัติเกี่ยวกับการกล่าวซิฮาดซึ่งเลี้ยงดูลูกคนอื่นเป็นบุตรบุญธรรมเรื่องเกี่ยวกับมรดกการสมรสกับสตรีที่ถูกยาจากบุตรบุญธรรมการมีพัญญาหลายคนของท้ารอสุรุลส์สลละล้อหัวไหลเวสหลังบัญญัติเกี่ยวกับการคลุมศีรษะของสตรีบัญญัติเกี่ยวกับการเชิญไปกินเลี้ยงและอื่นๆเรื่องที่สาม บทนี้ได้กล่าวถึงอย่างละเอียดเกี่ยวกับสงครามสนามเพลาะที่เรียกจนว่าสงครามอัล อ, อาซับและได้ ว, วาดเข้าโครงให้เห็นภาพลักษณอย่างละเอียดถึงการรวมหัวกันของพวกที่ฝ่าฝืนและพลังแห่งความชั่วเพื่อต่อต้านบรรดาโมกินผู้ศรัทธาโดยเปิดโปงสิ่งซ่อนเว้นของพวกกลับก่อ และได้เตือนพวกเขาให้ตจารณาถึงแนวทางปฏิบัติที่มีเล่ห์เหลี่ยมและชั่วช้าบทนี้ได้กล่าวถึงพวกเขาทั้งในตอนเริ่มและตอนจบและได้กล่าวเตือนบรรดาผู้ศรัทธาให้ดำลึกถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอรรถที่มีต่อพวกเขาในการโต้อตอบเล่ห์เหลี่ยมทั้งฝ่ายสองข้าดโดยการส่งมาลัยกะและลมพายุมา นอกจากนั้นยังกล่าวถึงสงครามเผ่ากุรยซอและการที่พวกยาฮูดบิดพลิ้วสัญญาที่มีต่อทรทธาสุลลาะสลลลละอะไรวะสลับบนอัลอาฮ์ซบถูกเรียกชื่อนี้เพราะว่าพวกบูชาจเจวเ ด, ด้รวมกันเป็นสมัครพรรคพวกเพื่อต่อต้านบรรดามุสลิมในทุกๆด้านพวกปฏิเสธมักกะได้ร่วมกับตระกูลคดฟาน เผ่าคูรยซอฟและพวกอันตพานอารับเพื่อทำสงครามกับบรรดามุสลิมแต่ทว่าอัลลอส์ทรงตอบโต้พวกเหล่านั้นให้ประสบกับความปลาชัยในการทำสงครามครั้งนี้เป็นการพอเพียงกตบบรรดาผู้ศรัทธาที่ได้เห็นสิ่งปาฏิหาริย์อย่างชัดเจน ด้วยพันานามของลองร์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอโอนบีจงยำเกรงอัลลอฮ์และอย่าเชื่อฟังพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกมุนาฟิกีคือพวกกลับกรอก ถ Allah, ้าจริงอั him, poetry, him, ลลอฮ์น or <region> yes, ั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรือเายาและจงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกองการแก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้าถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ เจ้าถูกมอบความไว้วางใจแด่ a า l a h และพอเพียงแล้วที่อา l a h เป็นผู้ครุ่นเคราะุ์。 ทั้งสองคนนี้เป็นคนที่ ม, ว ค, มควาคมวลลาวารักกันมากที่สุดในโลกนี้พระเจ้าไม่ทรงได้ทำให้ชายใดมีสองหัวใจในส่วนอกของเขาและพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้ภริยาของพวกเจ้าซึ่งพวกเจ้าอย่าพวกเธอโดยกล่าวว่าเป็นแม่ของพวกเจ้าและพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้การเรียกลูกบุญธรรมของพวกเจ้าว่าเป็นลูกที่แท้จริง ของพวกเจ้านั่นคือการกล่าวของพวกเจ้าด้วยปากของพวกเจ้าเองและล้อนั้นจะทรงพูดตรงกับข้อเท็จริงและพระอง์จะทรงชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องอดูอูฮุมลิอาบาอมวอักซฏออันดัลลอฮฟาอินลัมตะอ์ลัมูอาบาอิมฟัยะฮวานุกุมฟิดดีนวะมะวาริกุม ا أ ตูรียกเขาเหล่านั้นตามชื่อพ่อของพวกเขามันเป็นการเที่ยงธรรมกว่าณที่เา่าหากพวกเจ้าไม่รู้จักพ่อจริงๆของพวกเขาดังนั้นพวกเขาก็คือพี่น้องร่วมในศาสนาของพวกเจ้า แต่ผู้กล้ชิดของพวกเจ้าและไม่เป็นที่หน้าตำหนีแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าผิดพลาดในเรื่องนั้นแต่สิ่งที่จิตใจของพวกเจ้ามีความมุ่งหมายต่างหากและปรากฏว่าอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมออันนอีฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอฮฺอัลฮฺออฮฺอัฮฺอัล وَأُولُو ا ل ْ أ َْ ح َ ا م ِ بَعْضُهُمْ أ َ و ْ ل َ ى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أ و ل ِ ي أ َ ي ْ م ِ م َ ع ْ ر و ف َ كَانَ ذَلِكَ فِي ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ م َ س ْ ت ُ و ر ا น บ, บีนั้นเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ศรัทธามากยิ่งกว่าตัวของพวกเขาเองและบรรดาภรรยาของเขาคือน บ, บีคือมารดาของพวกเขาและเคยญาติร่วมสายโลหิตบางคนในหมู่พวกเขาใกล้ชิดกับอีกบางคนยิ่งกว่าบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้อพ ย, ยพตามบัญญัติของอัลลอฮ์เว้นแต่พวกเจ้าจะกระทำความดีแก่สหายสนิทของพวกเจ้านั่นได้มี บันทึกไว้แล้วในคัมภีร์และจงรำลึกถึงเมื่อเราได้เอาคำมั่นสัญญาของพวกเขาจากบรรดานาบีและจากเจ้ามุฮัมมัด และจากนัวและอิบราฮิมและมูซาและอีซาอิบนุมัรยับและเราได้เอาคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเขาเพื่อพระองค์จะทรงสอบถามบรรดาผู้สั์จริงเกี่ยวกับความสัจจริงของพวกเขา และรองทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดไว้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา มบันดาพุทธทาทั้งหลายจงดำลึกถึงความโปรดปานของอัลลอ์ที่มีแต่พวกเจ้าขณะที่กองทัพค้าศึกเข้ามารุกรานพวกเจ้าแล้วเราได้ส่งลมพายุพัดใส่พวกเขาและกำลังทหารที่พวกเจ้ามองไม่เห็นแล้วเราทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอิจจาอูคุมมินทูอิคุมวะมินอัสลามินคุม เมื่อพวกเขายกทัพมาอย่างพวกเจ้าทั้งจากข้งบนของพวกเจ้าและจากข้างล่างของพวกเจ้าและเมื่อในตาได้เหลือบลานแล้วว่าใจได้มาจุกอยู่ที่ลำคอและพวกเจ้านี้คิดต่างๆนาน า, นา الله. هناك ب ل ي ا ل م ؤ م ن و ن وزلزلو زلزالا شديدا. ن ي ن ن ب بوسطا ได้ถูกทดสอบและพวกเขาถูกทาให้เคลื่อนไหวสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ويقول المنافقون والذين في قلوبهم م ر ض م ا وعدنا الله ورسوله إلا غر. และจงรำลึกถึงเมื่อพวกกลับกรอกและบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขามีโรคกล่าวว่าอัลลอ์และรอซูลของพระองค์ไม่ได้สัญญาแต่เรายัางไดนอกจากการหลอกลวงเท่านั้นายบบลลกอิิมมมมมหุมุสระ ي ي และจงดมลึกถึงเมื่อกลุ่มหนึง่งจากพวกเขามูนาฟิกีนกล่าวว่าโอชาวยาสลีเตยอ ไม่มีที่มั่นสำหรับพวกเจ้าแล้วในการต่อสู้กับข้าศึกจงกลับไปเสียเถิดและกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาจะขออนุญาตจากท่านนาบีว่าบ้านของพวกเราไม่มีอะไรปกปิดไม่มั่นคงและมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นพวกเขาไม่ได้ประสงค์สิ่งใดนอกจากการหนีจากการทำสงครามเท่านั้น ا إ แต่ถ้ามีการบุกรุกมายัางพวกเขาจากนอกเมืองและพวกเขาได้ถูกปลุก ป, ปั่นให้ก่อความไม่สงบแน่นอนพวกเขาจะกระทำทันที และพวกเขาจะไม่ลังเลแม้แต่น้อยแลดวแน่นอนพวกเขาได้ให้สัญญาต่ออัลลอฮ์มาก่อนแล้วว่าพวกเขาจะไม่หันหลังกลับและสัญญาของอัลลอ์นั้นจะถูกสอบถาม ุจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าการหนีนั้นจะไม่อาํานวยประโยชน์อันให้แก่พวกเจ้าหากพวกเจ้าต้องการจะหนีจากความตายหรือการฆ่าฟันกันและเมื่อนั้นพวกเจ้าจะไม่ได้รื่นเริงกันอีก ก, ก, ล, ล, ก ล, ล, ล, ล่าววออ่าจงกล่าเถิดมูฮัมหมัดว่าใครล่าจะปกป้องพวกเจ้าให้พ้นจากอัลลอ์ไปได้ หากพระองค์ทรงปราถนาความเสียหายแก่พวกเจ้าหรือหากพระองค์ทรงปราถนาให้ความเมตตาแก่พวกเจ้าและพวกเขาจะไม่พบใครอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครองและเป็นผู้ช่วยเหลือแก่พวกเขาาดียาลัมลลอห์ลูกูอิทินมิลกุมวะลกาอิีินลิอัครวานิฮิมฮะลุมม์อิเล ينا أ إ แน่นอนอัลลอฮ์ทรงรู้บรรดาผู้ขัดขวางในหมู่พวกเจ้าและผู้ที่กล่าวแก่พี่น้องของพวกเขาว่ามหาเราทางนี้และพวกเขาจะไม่มาร่วมกันต่อต้านข้าศึกนอกจากจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقو بأسنة حداد أشححة على الخير. เป็นคนตรนีกับพวกเจ้าทันเมื่อความกลัวปรากฏขึ้นเจ้าเสนพวกเขาจ้องมองไปยังเจ้าสายตาของพวกเขาเกลือกกลิ้งเสมือนผู้มีอาการรอแรกใกล้จะตาย แต่เมื่อความกลัวได้ผ่านพ้นไปแล้วพวกเขาก็ได้พูดจาถาถากพวกเจ้าด้วยจำนวนที่แผดร้อนเป็นคนกระหนี่ในเรื่องทรัพย์สินชนเหล่านั้นพวกเขาไม่ได้ศรัทธาต่อลออลอตจึงทรงให้การงานของพวกเขาไม่บังเกิดผลและนั่นเป็นเรื่องง่ายได้แกวแ้วหรือ เพราะเขาคิดว่าบรรดาพักต่างๆเหล่านั้นยังไม่ได้ถอยกลับไปและหากว่าพวกพักต่างๆเหล่านั้นหวนกลับมาอีกพวกเขามูนาฟิกินก็คาดหวังกันว่าหากพวกเขาได้ไปอยู่ร่วมกับอารบ ชน บ, บทเพื่อคอยสืบเสาะหาข่าวของพวกเจ้าและหากว่าพวกเขาได้อยู่ร่วมกับพวกเจ้าพวกเขาก็จะไม่ต่อสู้เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยแน่นอน สำหรับขอศูลของอัลลอฮ์นั้นมีแบบฉบับอันดีงามแก่พวกเจ้าแล้วสำหรับผู้หวังจะพบอัลลอ์และวันพรโลกและรำลึกถึงอัลลอ์อย่างมากวแลมร์อั่ และเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาได้เห็นทักต่างๆเหล่านั้นพวกเขาได้กล่าวว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์และบรรดารอซูลของผู้ทรงได้สัญญาไว้แก่เราและอัลลอฮ์แล ะ, AH และรอซูลของผู้ทรงได้ตรัสไว้จริงแล้วและมันไม่ได้เพิ่มอะไรให้แก่พวกเขานอกจากการสัมผัและการนอบน้อมมิัุุม วในหมู่ผู้สัตยามีบรรดาผู้ชายผู้มีสัจยจ์ต่อสิ่งที่พวกเขาได้สัญญาต่ออัลลอฮ์เอาไว้ดังนั้นในหมู่พวกเขามีผู้ปฏิบัติตามคำสัญญาของพวกเขาและในหมู่พวกเขายังมีผู้คอยอยู่ยังไม่ตายและพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อยา่างใด The the the เพื่อล้อจะได้ตอบแทนบรรดาผูいい้มีสักจิในความสั์จริงของพวกเขาและจะส่งลงโทษพวกกลับกลอกหากพระองค์ทรงประสงค์ หรือจะส่งอภัยโทษให้แก่พวกเขาถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ส่งอภัยผู้ส่งเมตตาเสมอวรแตลอัลลอฮ์ทรงให้พวกปฏิเสธศรัทธาถอยทับกลับไปด้วยความเพียรแคน โดยที่พวกเขาไม่ได้ประสบความดีแต่อย่างใดและรอดทรงให้ความพอเพียงแล้วแต่บรรดาผู้ศรัทธาในการสู้รบแล้วเราเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพวานิ และพระองค์ทรงให้พวกชาวคัมพีชาวยูวเผา่ากูไรซ์ที่ได้ช่วยเหลือพวกเขาพวกมุชริกีลงมาจากป้อมที่มั่นคงของพวกเขาและทรงบรรจุความหวาดกลัวไว้ในจิตใจของพวกเขาส่วนหนึ่งพวกเจ้าประหารชีวิตและอีกส่วนหนึ่งของพวกเจ้า และพระองค์ส่งให้พวกเจ้าได้รับมรดกปกครองแผ่นดินของพวกเขาและที่อยู่อาศัยของพวกเขาและทรัพย์สินของพวกเขาและแผ่นดินที่พวกเจ้ายังไม่ได้เหยียบย่างเข้าไป แล้วล้อเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหลือทุกสิ่งอัลลอฮฺโอนบีเอ๋ย ต้องกล่าวแกบ่บรรดาพระยาของพวกเจ้าเถิดว่าหากพวกเธอปรารถนาการมีชีวิตในโลกนี้และความพเพลิดเพล้วก็จงมาเถิดฉันจะหาเรื่องการเลี้ยงชีพให้แก่พวกเธอแต่จงปล่อยพวกเธอไปอย่างดีงาม <S <S และหากพวกเธอปรารถนาอัลลอฮ์และรอศูนย์ของพระองค์และโลกอาถิรพแล้วแท้จริงอัลลอฮ์ได้เตรียมผลบุญอันมากมายแก่เหล่าสตรีผูกก้กระทำความดีในหมู่พวกเธอแล้วเาืิสหนี้แนนบีไม่นยติมินคุณ ต, ตัวบรรดาพรยาของดเอย๋ยผู้ใดในหมู่พวกเธอนำความชั่วอย่างชัดแจ้งมาการลงโทษจะถูกเพิ่มให้แก่นานเป็นสองเท่าและปรากฏว่าดังกล่าวนั้นเป็นการง่ายสำหรับอรู ا, ا أ และผู้ใดในหมู่พวกเธอพักดีต่ออัลลอฮแ ล, ว, แลวเราซูลของพระองคและกระทำความดีเราจะให้ผลตอบแทนแกนางเป็นสองเท่า เราได้เตรียมปัจจัยยังชีพอันดีงามไว้ให้กนางแล้วยานิสา النبي ล ستنك أحد من النساء إن اتقيتن ل ا ت خ ب ر ن بالقول فيضمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معطى อบดดาภริยาของดะบีเ อ, อ๋ย พวกเธอไม่เหมือนกับสตรีใดๆหากพวกเธอยำเกรงอลัลลอ์แล้วก็ไม่ควรพูดจาเพราะพริงนักเพราะจะทำให้ผู้ที่หัวใจของเขามีโรคเกิดความโลภแต่จงพูดจาด้วยคตาคที่สุภาพอ๓ี บ, บิคุณวาที่บัรจน บ, รรจนบรรจจัรันจ้าฮิริย์ิลลา และจงอยู่ในบ้านเรียนของพวกเธอและอย่าได้เผยความงามเช่นการเผยความงามแห่งยุกงว ง, งายก่อนๆและจงปฏิบัติละหมาด และจ่ายจากาศและจงพักดีต่อ ا ะ ل ه และหรอสูญความพรุ่มเอาล่าเพียงแต่ต้องการที่จะให้ถ้าจัดความสุขพรุ่มออกไปจากพวกเจ้าโอ้ผู้ที่อยู่ในบ้านนาบีเอืยและสงประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าสะอาบบริสุทธิ์วัศกรน์มายุธลาธีบนูติคุนมินอายาทิล้าธิวัลฮิกมะอินนัลล้า และจุงานสิ่งที่ได้ถูกอ่านอยู่ในบ้านเรียนของพวกเธอเช่นจากบรรดาองค์การขอร่อและคำสอนของท่านนาบีแท้จริงอัลลอ์นั้นส่งรอบรู้อย่างละเอียด ا ل ص ا ب ر ي ن و ا ل ص ا ب ر ا ت ِ و ا ل ق ا ش ِ ع ي ن و ا ل ق ا ش ع ا ت ِ والمتصدِّقينَ و ا ل م ت ص د ِّ ق ا ت والمتصدِّقينَ والمتصدِّقاتِ والصائِمينَ و ا ل ص ا ئ م ا ت ِ والحافظينَ فروجهم แท้จริงบรรดาผู้ศิลป์ชายและหญิงบรรดาผู้ศรัทธาชายและหญิงบรรดาผู้พักดีชายและหญิงบรรดาผู้ศักด์จริงชายและหญิง บรรดาผู้อดทนชายและหญิงบรรดาผู้สํารวมชายและหญิงบรรดาผู้บริจาคชายและหญิงบรรดาผู้ถือศินอดชายและหญิงบรรดาผู้รักษาอาวัยวเพศของพวกเขาที่เป็นชายและเป็นหญิงบรรดาผู้ดำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมอที่เป็นชายและหญิงนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่สําหรับพวกเขาแล้ว ไม่บังควรแก่ผู้ศรัทธาชายและหญิงเมื่อล้อและรอซูลของพระองค์ได้กำหนด ก, การใดแล้วสำหรับพวกเขา ไม่มีทางเลือกในเรื่องของพวกเขาและผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮ์และเราซูลของพระองค์แล้วแน่นอนเขาได้หลงผิดอย่างชัดแจ้ง وتخش ى الناس والله أحق أن ت خ ش ا ه فلما قضى زيد منها وطر ا ز و ج ن ك ه ا لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أ د ع ي ا ئ ه م إذا قضوا منهن وطر. และจงทำเลึกถึงขณะที่เจ้าพูดกับผู้ที่อัลลอฮ์ทรงให้ความโปรดปรานแก่เขาและเจ้าได้ความสงเคราะห์แก่เขาและจงรักษาภริยาของเจ้าไว้ให้อยู่กับเจ้าและจงย้ำเกรงอัลลอฮ์และเจ้าได้ซ่อนไว้ในจิตใจของเจ้าเรื่อ ง, งเพียรล้อจะทรงเปิดเผยมันและเจ้าเกรงกลัวมนุษย์แต่ล้อนั้นทรงสมควรยิ่งกว่าที่เจ้าจะกลัวเกรงพระองค์ ท่านเมื่อเสดได้หย่า ก, กับนางแล้วเราได้เจ้าแต่งงานกับนางเพื่อที่จะไม่เป็นที่ลำบากใจแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายในเรื่องการสมรสกับริยาของบุตรบุญ ธ, ธรรมของพวกเขาเมื่อพวกเขาหย่า ก, กับพวกนางแล้วและพระบัญชาของเรานั้นจะต้องบรรลุผลเสมอแมมม้้กาาาบบนนนนนนนีจใท่่ดออลลลเุต ไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่ท่านนาบีในสิ่งที่ล้อทรงกำหนดให้แก่เขานี่คือแนวทางขอล้อที่ได้มีขึ้นแก่บรรดาผู้ที่ได้ล่วงลับไปก่อนและพระบัญชาขอล้อนั้นได้ถูกกำหนดไว้แล้ว อบิรรดาหนาบีผู้ที่ได้เผยแพร่สารของอัลลอฮและพวกเขากลัวเกรงพระองค์และไม่กลัวเกรงผู้ใดนอกจากอัลลอฮและพอเพียงแล้ว มุฮัมมัดไม่ได้เป็นบิดาผูดด้ใดในหมู่บุรุษของพวกเจ้าแต่เป็นาศนาสนทูตของอัลลอฮ์และเป็นาศาสดาท่านสุดท้าย และลอันนั้นสงรอบรู้ทุกซิ ك ك โอบ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงระนึกถึง a ลล a h ให้ ม, กมากๆ และจงแท่สองสดุดีพระองค์ทั้งยามเช้าและยามเยินพระองค์คือผู้ทรงประทานความเมตตาให้แก่พวกเจ้าและมาไลาก้าของพระองค์ด้วยเพื่อพระองค์จะทรงนำพวกเจ้าออกจากความมืดสู่ความสว่าง และพระองค์ทรงเมตตาต่อบรร ด, ดาผู้ศรัทธาเสมอการกล่าวคำทักทายของพวกเขาในวันที่พวกเขาพบพระองค์คือสลามสันติและพระองค์ทรงจัดเตรียมรางวัลอันมีเกียรติไว้ให้แก่พวกเขาแล้วยยออนนบิ โอ้นบีเอ๋ยแท้จริงเราได้ส่งเจ้ามาเพื่อให้เป็นพยานและผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้ายแต่เป็นผู้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮด้วยอนุมัติของพระองค์และเป็นดวงประทีตอันแจ่มจรัด َبَشِّرِ และมุอาหมัดทรงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าแท้จริงสำหรับพวกเขาจะรับความโปรดปรานอันใหญหลวงจากองละมุลาตีนและถ้าอาบัติฮัมและตว็อคเคลกับ a l l و h และคัฟาบิลละฮิวและฮิลัน และเจ้าจุงอย่าเชื่อฟังพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกกลับกลอกแต่อย่าสนใจในการระารานของพวกเขาแต่จงมอบหมายความไว้วังใจแดอลอตเถิดและเป็นการพอเพียงแล้วที่อลัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ได้รับการมอบหมายอออุ <S <S ีมมล โอบรรดาผู <Ooh. S 3> ้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าได้สมรสกับหญิงผู้ศรัทธา และพวกเจ้าได้ยาพวกเธอก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องตัวมีเพศสัมพันธ์กับพวกเธอฉังนั้นสระพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะให้พวกเธออยู่ในอิดดานนั้นฉะนั้นพวกเจ้าจงให้ผลประโยชน์แก่พวกเธอบ้านแล้วปล่อยพวกเธอจากไปเลยดี <S <S <S <S ا ل َ ت ي أ َ ي ت أ ج و ر َ ه ن وَمَا م َ ل ك ت ي َ م ي ن ك م م َّ ا وَمَا م َ ل َ ك َ ت ي َ أ م ي ن ك م َِّ ا ف َ ا ل ل َّ ه ع َ ل َ ي ك َ و َ ب ن ا ت ِ ع َ م ك َ و َ ب ن ا ت ِ ع َ م َّ ا ت ِ ك وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خ َ ا ل ا ت ِ ك َ اللَّا فِي ه َ ا ج َ ر َْ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إ ِ ن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أ َ ن ي َ س ْ ت َ ن ك ِ ح َ ه َ ا إن أراد النبي أي ن س ت ن ا ت ه ا خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما ف ر ض ن ا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا ي ك و ن عليك حرج وكان الله غفور ا ر ح ي م ا ونبي <تصفيق> أي เราได้อนุญาตแก่เจ้าในบรรดาพระยาของเจ้าซึ่งเจ้าได้มอบสินสอดให้แก่พวกเธอและสิ่งที่มือขวาของเจ้าครอบครองจากพวกที่อัลลอฮ์ทรงอนุญาตให้แก่เจ้าและบุตรสาวของอาลุงของเจ้าและบุตรสาวของาข อ, ง า, า, องาป้าของเจ้าและบุตรสาวของน้าลุงของเจ้าและบุตรสาวของน้าป้าของเจ้าซึ่งพวกเธอได้อพยพไปกับเจ้าและหญิงผู้ศรัทธาเมื่อนางเสด็จตัวของนางแก่ท่านนาบี หากท่านนาบีปราทานาจะสมรรถ ก, กับนางทั้งนี้สำหรับเจ้าโดยเฉพาะไม่ใช่ผู้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาแน่นอนเรารู้ดีถึงสิ่งที่เราได้กำหนดแก่พวกเขาในเรื่องภรยาของพวกเขาและสิ่งที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองเพื่อที่จะไม่เป็นที่ลำบากใจแก่เจ้าและร้อ น, นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเบตเ็ตาเสมอ ت ُْ ج ِ ي م َ ن تَشَاءُ م ِ ن ْ ه ُ ن وَتُؤِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ و َ م َ ن ا ب ْ ت َ غ َ ي ْ ت َ مِمَنْ ع َ ز َ م َ ت ف َ ل َ ج ُ ا ََ عَلَيْكَ ذَلِكَ أ َ ج ْ ن َ ن ت َ ق ْ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا ي َ ح ْ ز َ ن ُ และเจ้ามีสิทธิ์ที่จะยาผู้ที่เจ้าปรารถนาในบูพวกเธอและเจ้าจะรับผู้ที่เจ้าประสงค์มาอยู่ร่วมกับเจ้าและผู้ใดที่เจ้าต้องการให้มาอยู่ร่วมจกคู่ที่เจ้าเคยแยกกันอยู่ ก็ไม่เป็นที่ตำหนิแก่เจ้านั่นเป็นการเหมาะสมกว่าที่จะทำให้ในตาของพวกนางรื่นรมแต่ไม่ทำให้พวกนางเศร้าโศดและพวกนางพอใจในสิ่งที่พวกเจ้าได้แก่พวกนางทั้งหมดแล้วล้อทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้าและปรากฏว่าล้อนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงขันติิักนบ ไ ม, ไ, มไม่เป็นที่อนุญาตแก่พวกเจ้าที่จะแต่งงานกับหญิงอื่นหลังจากนี้และเจ้าอย่าได้เปลี่ยนพวกนางเพื่อพระยาอื่น ถึงแม้ว่าความสวยของพวกนางจะทาให้เจ้าพอใจก็ตามนอกจากสิ่งที่มือขวาของเจ้าครอบครองแล้วล้อนั้นเป็นผู้เฝ้ามองทุกสิ่งยาอยลีนามนลดููบตนบอิลาอยละกุมอลาามรนรินอาวาาดูิตุฟูู ف إ ذ َ ا ط َ ع ِ ن ت ُ م ت ف َ ت َ ش ر غ ُ و َ ل َ ا م ُ س ت َ أ ن س ي ن َ ل ِ ح َ د ي ث إ ِ ن َ ل ا ك ُ م كَانَ ي ُ ؤ ذ ب ِ ي ا ل ن َّ ب ي ف َ ي َ س ت َ ح ي م ي ه ِ ن ك ُ م ْ وَاللَّهُ لَا ي َ س ت َ ح ي م ي ن َ ا ل ح َ ق ّ و َ إ ذ َ ا س َ أ ل ت ُ م ُ و ه ن م َ ت َ ع ْ ف َ س َ أ ل ُ و ه ن م ن وَرَاءِ ح ِ ج َ ا ب ا ذ ل ك م أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تكحو أزواجه من بعده ولا أن تكحو أزواجه من بعده أبدا إن ذ ل ك م كان อบดดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้เข้าไปในบรรดาบ้านของนบีเว้นแต่จะเป็นที่อนุมัติแ k ่พวกเจ้าเพื่อรับประทานอาหารโดยไม่ต้องคอยการปรุงอาหารให้เสร็จเสียก่อนและเมื่อพวกเจ้าได้รับเชิญก็จงเข้าไปคันเมื่อพวกเจ้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จงแยกย้ายกันออกไปและอย่าเป็นผู้ชอบวิสาสะในการสวดมนา์ แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นที่รำคาญให้แก่ท่านนาบีซึ่งท่านจะละายเคลงใจพวกเจ้าแต่เราไม่ทรงละอายต่อความจริงและเมื่อพวกเจ้าขอสิ่งใดจากพวกนางพ่อจงขอพวกนางจากหลังมานเช่นนั้นแหละเป็นการบริสุทธอย่างยิ่งแก่จิตใจของพวกเจ้าและจิตใจของพวกนางและไม่เป็นการบางควรแก่พวกเจ้าที่จะขอความรำคาญให้แก่าศาสนทูตของเราลและพวกเจ้าจะต้องไม่แต่งงาน กับบรรดาพระยาของท่านนาวีหลังจากท่านได้สิ้นชีวิตไปแล้วเป็นอันขาดถ้าจริงในการนั้นนะักอโละเป็นเรื่องที่ใจดู้นะหากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งใดหรือปิดบังมันไว้ถ้าจริงอลัละนั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่ง I need you. อไม่เป็นท <es and S 1> ี่น่าตำหนิแก่พวกนางเกี่ยวกับบิดาของพวกนางและลูกๆของพวกนางและพี่น้องผู้ชายของพวกนางและลูกชายของพี่น้องชายของพวกนางและลูกชายของพี่น้องหญิงของพวกนางและบรรดาผู้หญิงของพวกนาง และสิ่งที่มือขวาของพวกนางครอบครองและพวกนางยำเพลงต่ออัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง <S <S ถ้าจริงอัลลอ์และมาลาย้าของพระองค์จะทรงประสาทพรแก่ท่านนาบีโอบดาผุ้ศธาทั้งหลายพวกเจ้าจงประสาทพรให้ท่านและกล่าวคำทักทายท่านโดยความนอบน้อมอออินนนนัลลดดูููวรมค ا آ ถ้าจึงบรรดาผู้กล่าวร้ายแก่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ทร AH งสาปแช่งพวกเขาทั้งในโลกนี้และตลอโลกและทรงเตรียมการลงโทษอันอัปยศไว้สำหรับพวกเขาแล้ว และบรรดาผู้กล่าวร้ายแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้กระทำแน่นอนพวกเขาได้แบกภาระการกล่าววายและบาปอันชัดแจ้งไว้แล้ว ال โอ้หนุ่มเอ๋ยจงกล่าวแก่บรรดาภระยาของท่าน และบุตรสาวของท่านและบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาให้พวกนางดึงเสือ้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางนั่นเป็นการเหมาะสมกว่าที่นางจะเป็นที่รู้จักเพื่อที่พวกนางจะไม่ถูกรบกวนและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ لئن لم المنافقون والذين قلوبهم والمرجفون ينتهي المدينة لنغرينك يجاورونك مرضوا في وا مر في مر فيها ثم إ แَ่นอนถ้าพวกกลับกรอก และบรรดาผู้ที่ในหัวใจของพวกเขามีโรคและกลุ่มผู้กอ่อกวนความสงบในนครบารีนะไม่ระงับการกระทำที่เลวทามของพวกเขาแน่นอนเราจะให้เจ้ามีอำนาจเหนือพวกเขาและพวกเขาจะไม่กลับมาพำนักเป็นเพื่อนบ้านของเจ้าในนั้นอีกเว้นแต่เพียงชั่วเวลาอันเล็กน้อยเท่านั้ น, น วพวกเขานั้นถูกสาปแช่งไม่ว่าพวกเขาจะถูกพบณแห่งผลใดก็จะถูกจับกุมและถูกสังหารโดยปราศ จ, จากควา ม, ามเมตตลลา นั่นคือแนวทางของอัลลอฮ์แก่บรรดาผู้ที่ร่วงลับไปก่อนแล้วแต่เจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆในแนวทางของอัลลอฮ์เลยผู้คนจะถามเจ้าเกี่ยว<ะ>กับว <er ันโลกอวสาน จงกล่าวเถิดโมหัดว่าแท้จริงความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ณที่อัลและอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้บางทีวันโลกอาวสานนั้นอยู่ใกล้นี้เองแท้จริงลระทรงสาบแช่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและทรงเตรียมไฟที่ลุกโชดช่วงไวส้สำหรับพวกเขาแล้ว พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลโดยที่พวกเขาจะไม่พบผู้มุครองและผู้ช่วยเหลือใดๆเลย。 วันที่ใบหน้าของพวกเขานั้นจะถูกพริกกลับไปกลับมาในไฟนรกนั้นพวกเขาจะกล่าวว่าโอ้ความระทมทุกขของเราหากเราได้เชื่อฟังอัลลอะถ้าเราได้เชื่อฟังรสน์ก็จะดีหรอก نا إ نا أ และพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้ยบานของเราถ้าจริงเราได้เชื่อฟังบรรดาหัวหน้าของเราแต่บรรดาผู้นำของเราดังนั้นพวกเขาจึงทำให้พวกเราหลงทาง โอ้พระผู้บันของเราได้โปรดลงโทษพวกเขาเป็นสองเท่าเถิดและทรงสาปแช่งพวกเขาให้หนักเถิด กลลบฎาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้เป็นเพี้ยนบนดาผู้ศบประมาทมูชาแล้วเราก็ส่งให้เขาพ้นจากที่พวกเขากล่าวร้ายและเขาเป็นผู้ควรแก่ตำแหน่งอันสูงสง่งณที่อัลลอะยาอัยห์ัลฺดีนอามันตะกัลลอฮฺวะฮูลูกวลันซดีดะ โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอ์และจงพูดคำพูดที่ตรงไปตรงมาปรุงจะทรงปรับปรุงการงานของพวกเจ้าได้ดีขึ้นแก่พวกเจ้าและจะทรงอภัยความผิดของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้า และผู้ใดเชื่อฟังอัลลอฮและรอซูลของพระองค์แน่นอนเขาย่อมได้รับความสำเร็จอันยิ่งะหญ่ ถ้าจริงเราได้เสนออามานะการไว้เนื้อเชื่อใจกับบดดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและขุนเขาทั้งหลายแต่พวกมันปฏิเสธที่จะแบกรับเอาไวและกลัวภาระอันหนักหึ้งแต่มนุษย์ได้รับภาระเอาไว้ถ้าจริงมนุษย์เป็นผู้อธรรมโงยย่ง่ายจี๋ เพื่ออัลลอฮ์จะได้ส่งลงโทษแก่พวกกลับกรอกชายและพวกกลับกรอกหญิงและบรรดาผู้ตั้งทาคีชายและบรรดาผู้ตั้งทาคีหญิงและเพื่ออัลลอฮ์จะส่งอภัยโทษแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิง และปรากฏว่าอนรรณาเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ